ไปฟองความธรรมหรือยังเกี่ยวสัที่เนนกิดนะเกียวใจให้พร้อมนะไจรองรับพระถรรมไม่ใธรรมะ่อนออกมาเป็นธรรมะที่เป็นญาณที่สั่งสอนไว้หรือวเป็นธรรมะที่เป็นความจริงที่อยู่ของโลกใบ น, นี้แม้พระเจ้าไม่มาแต่จะรู้แต่ธรรมะก็ยังเป็นความจริง ยังอยู่กับโลกไปนี้ตลอดไปสามสิบขันนานนะแต่ถ้าไม่มีผู้รู้มาบอกต่อมาสอนต่อก็ออยากนะก็ออยากที่คนคนหนึงแต่สามารถรู้ธรรมะได้เองนะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าลําบากนะแต่ไม่ใช่เรื่อเดือดริษายแต่ถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดูแล้วมาบอกต่อก็นะอเป็นวิสัยที่พวกเราจะสามารถเดินตามทำตามได้ มันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ยากเกินไปนะแต่ถ้าเราใส่ใจใดีา ม, มากกรรมะก็เป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้กันได้ทุกคนมันอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนะมื่อท่านบอกต่อมาสอนต่อก็มีผู้รู้ตามธรรมะได้ไม่ยากแต่ตอนที่ท่านคนฟังรับรู้อ่าใช้ความเพียรมากมายลองอย่างนั้น่างนีนะ้ทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ตาม ตามที่ยกสมัยนั้นเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่จะทําไปเึื่อความออกจากทุกข์ความทนทุกข์หรือว่าความดับทุกข์แต่วิธีไหนก็แล้แต่ยังไม่ใช่วิธีที่ดับทุกข์โดยแท้จริงแต่บำเพ็ญตุคคณาธิยานมากมายผลข้าอดน้ําขั้นลมหายใจหรือว่าทรมานกายอย่างไรก็ไม่สําเร็จคิดว่าถ้าการทรมานใจมัสบายไม่ใช่ทางเช่นั้น หรือบางคราวก็ทรมานใจกดคมความคิด น, นให้ติดอยู่กับความสงบอย่างเดียวตลอดไปไม่พุ่งสร้าไปที่ไหนก็ยังไม่เคลียทางเมื่อออกจากความการกดขมหรือว่าก็ อ, ออกจา ก, จากชาตชาติมาบัตบางญย่างก็อยังพุ่งไปเรื่องกับสนเช่นเดิมไม่ต้องพูดถึงทางที่เรียกว่าทางตกต่ำทางที่เกลือกกลั่วแับเรียกว่าเป็นอารมณ์ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่คนทุ่มเไปเขาจะทาทางดังนั้นมีแต่ทางที่เรียกว่าเวียนโบกกลบวนอยู่ในโรคทั้งสามที่ในประเมทั้งสี่แต่โรคเป็นเพราโรคคือว่าเป็นโรคมนุษย์หรือว่าโรคที่เป็นโรคของพับฟูที่เป็นตัต่ำลงไปถ้ายังเป็นการวนเวียนกันอยู่ไม่มีทางออกจากโรคได้แต่เหนทางที่จะทําให้เราออกจากโรคได้นะ มันเป็นเดีว่าเป็นขนทางอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยจะเป็นขนทางที่ทําให้เราออกจากโลกนะออกจากโลคที่นี้ไม่ใช่อยู่อยู่บนจักรวาลออกจากระบบเครียดจักรวาลตัวนี้ไม่ใช่แต่เป็นการออกจากโลกโดยที่ใจเราอยู่ในโรคนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนแต่ใจอย่างไรถึงจะมีทุกข์จิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าอย่างไรจิตถึงจะไม่ทุกข์นี่เป็นเรื่องที่สําคัญ การที่ฝึกขัดให้จิตใจไม่ทุกก็ต้องเริ่มต้นจากที่ไหนบางคนบอกว่าต้องเริ่มต้นจากการทาี่รักษาศิลบางคนที่บอกว่าต้องเริ่มต้นจากการทาทานบางคนบอกว่าต้องเริ่มต้นจากทํารเรต่างๆมากมายแต่นะแต่ทำอะไรก็แล้วแต่แต่หลวงพ่อเทียนเขาบอกว่าศีลที่สําคัญที่เป็นหัวใจหลักจริงคือต้องเริ่มต้นจากการรู้สึกตัวถ้าเรามีรู้สึกตัวนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ มาทำไปด้วยความหลงแต่ทำบุญทําทานนะถ้าหวังนาะบสักการะหวังผลตอบแทนควังบุ่งมุ่งจะมาตอบสนองนะอันนั้นก็ยังเรียกว่ายังไม่เป็นการทําบุญอย่างที่มีปัญญาแต่ถ้าเราทําบุญแล้วที่จสนะัสละสละจริงๆไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนจะได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าทําบุญด้วยใจที่อยากจะทําบุญนะทําทานดี่ยใจที่อยากจะทําทาน น่าจะเป็นสิ่งที่ดีการรักษาสิ่งไม่ใช่เดืยวกันไม่ใช่รักษาสิ่งเพื่อหวังว่าเรามีสิลไม่ใช่รักษาสิ่เพื่อกลัวกลัวกิเลสหรือสิ่งไม่ดีไปเกิดขึ้นในใจไม่ใช่รักษาสิ่งเช่นนั้นแต่รักษาสิ่งเพราะว่ารู้ว่าการรักษาแล้วทําให้เกิดนความสงบแก่จิตใจทําให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่รุ่นวเป็นพื้นฐานที่สําคัญทําให้จิตใจตั้งมั่น ทำไปเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาได้รู้ว่าทำตรง น, นี้มันเกิดผลเช่นนี้เราก็เลยยินดีพอใจที่จะรักษาจิตไม่ใช่รักษาถิ่นเพราะว่าเป็นข้อห้าเป็นข้อกำหนดแต่รักษาจิตด้วยความเต็มใจด้วยการยอมรับที่จะทําตามต น, า น, นั่นสิงต่างๆนี้มันเกิดจากการที่เรามีความรู้สึกตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การรู้สึกตัวก็ไม่ต้องไปแยกแยะมากก็ได้นะ รู้สึกตัวลงมาสุทาส่ที่กายในสิ่งที่กำลังทำเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกายตอนนี้กำลังทําอะไรรู้สึกตัวไหมกนะารถามตีวเบ่อยๆนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะบางทีอาจจะมีคนอื่นถาม ม, มีค น, นแนะนําแต่ถ้าเราแค่ถามตัวเองบ่อยว่าตอนนี้กำลังทําอะไรตอนนี้กำลังทําอะไรออยู่ในท่าไหนยืนเดินนั่งนอนหูวเหียดเคลื่อนไหวอ่า เรากลับมาดูตัวเองบ่อยๆถามทัวเองบ่อยๆการที่ถามตัวเองบ่อยนะจะเป็นคําให้เรากระตุกกระตุกตัวเองจากความคิดรุ่งสร้างจากความใจรอยจากความหลงไปจนกับอารมณ์มันจะกลับมาเห็นว่าเราะกระลับทําอะไรอยู่นะหรือท้าบางทีนคิดรุ้งสร้างมันใจรอยไปเหลือมันเป็นคนกับอารมณ์อะไรก็ได้แต่ปิดพันจะถอนตัวเองออกมาจากความรุ่งสรางความคิดไม่ใชคิดดีคิดไม่ดีคิดอะไรก็แล้วแต่ มันจะรู้สึกว่าที่จริงไอ้ความคิดมันก็สวนะ่วนหนึ่งไอ้ความรู้สึกตัวก็เป็นสวนะ่วนหนึ่งแม้บางคราวจะมีความคิดมีคามเปลี่แปลแต่ที่จริงมันไม่ใช่อยู่ส่วเนื้อแท้ของจิตเลยจิตจริงๆไม่เป็นอะไรในความคิดมันก็ยังมีความไม่ทุบอยู่ในนั้นนะไม่แต่ฟุ้งซ่านขนาดไหนแม้แต่เป็นคิดในทางบุญขนาดไหนถ้ารู้สึกตัวนะมันกจะจะ็เฉยเฉยนะจะทำดีขนาดไหนทำบุนขนาดไหน จิตที่เฉยเฉจิตที่เป็นปกติมันก็ยังมีอยู่ตรงนั้นอ ะ, อะไรจะเกิดขึ้นกับโรคใบนี้เัาก็ยังมีจิตที่เป็นปกติที่ไม่หวัว่นไหวไม่คาดแต่เกิดเป็นสิ่งตา่างๆมันสามารถมีได้นะถ้าเราถูกขัดจริงๆเิงมัจะสามารถมีจิตที่ว่าเป็นปกติไม่หวั่นไหวไม่แน่นแน่นคลอนแคลนอะไรจะเกิดขึ้นกับกายกใจหรือกับโรคทั้งใบนี้นะมันพร้อมที่จะยอมรับจิตที่เกิดขึ้นโดยใจตั้งมั่นโดยใจไม่หวั่นไหวได้ ถ้าเรามีความรู้สึกตัวถ้าเราสึกขัด น, นะแต่สามารถสึกแในท่านจิตใจเป็นแบบนี้ได้นะเรียกว่าโลกธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นไม่บันไว้ไม่แน่นแน่นคอนแวนตะ์โลกธรรมจะเกิดขึ้นอย่างไรจิตใจมันตั้งมั่นในทางเรียนรู้ธรรมะที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยจิตตรงนี้นะมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการที่เรารู้สึกตัวเป็นนี่แหละเมื่อรู้สึกตัวเป็นเมื่อไหร่ปิดมันจะกลับมาเป็นปกตินะแล้วตายเกิดปิดปกติ แม้กายจะทุกข์แม้กายจะเจ็บแม้กายจะตายแต่จิตที่เป็นปกติมันก็ยังอยู่ของมันเช่นั้นแม้แต่บางคราวอาจจะมีความคิดรุ้นร่านจิตผิดปกติไปแต่ที่จริงในความเป็นผิปกติความที่มีกิเลสมาครอบมันมันก็ครอมันเพียงแค่ช่วคราวแต่มันไม่ใช่จิตที่แท้จริงจิตที่แท้จริงประควาสอดส่องใสไม่เป็นอะไรกัอบอะไรเท่านะั้นมันเป็นอยู่ของมันเช่นนั้นเองมีแต่ความที่ อุปาคิเล no ัก so ็ตอนไม่คู่คราวเท่านั rare, ้นะความหลงเกิดขึ้นคู่คราวเท่านั้นไม่ใช่ความจริะถ้าเรามีสติราดีเห็นแลอวลูกมันส่วนหนึ่งจิตนะที่มันคิดไปก็นส่วนหนึ่งแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันดูอีกส่วนหนึ่งเลยมันไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปคล้องแวะกับเรื่องของรูปไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปค้องแวะกับความคิดที่มันเกิดขึ้นมันเห็นอยู่จเฉย แต่รูปแสดงอะไรก็แล้วแต่มันก็ดูมันไปิเฉยเฉยจิตมันแสดงความโกรธแสดงความคิดอย่างไรมันก็ดูไปเฉยเฉยนะไม่ได้คิดบวกคิดลบนะเข้าไปเป็นฟุ้งไม่เป็นสุขกับความคิดเท่านั้นจิตที่เป็นปกติไม่ได้เป็นเช่นนี้นะจิตที่เป็นปวติไม่เป็นอะไรกับอะไรจริงจินะมันมีสภาวะที่เรียกว่าอยู่เหนืออาการต่างๆอาการต่างๆเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแค่กับรูป อาการทางการเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแค่กับนามแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบคนหนึ่งไม่ใช่ะมีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามนี้เท่านั้นเพราะรูปนามนี้ก็ไม่ใชของใคระรูปนามนี้มันก็เป็นเป็นเหตุเป็นเหมือนใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่แทนแน่นอนมีแต่ตีที่เห็นว่าตีนที่ร้ายเกิดเป็นเหตุตีนที่ร้ายก็ดับไปเพราะว่าเหตุมันจบไปนะ ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดขึ้นก็มีการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครบังคับบัญชาได้แนเป็นเหนาตุการตอเนี้สตินาการนี้ยเป็นทัานจิตใจมันโอ้เห็นความจิงเมืมมมม่อเ ก, กิดการยอมรับเมืเกิดการยอมรับเมื่อเกิดการไล่วางอ่าเป็นความนี้มั่นถือมั่นอะไรต่างๆตรงนี้นะอันนี้คือความจริงที่พวราไดกสืบทอดไปจริงที่เรา ท, าทาําตามคําสสอนของพระพุทธเจ้าท่าน ถ, ถ้าใครทํา ก็ได้ผลแน่นอนนะธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นว่าทําได้ไม่จากัดการไม่จากัดคนอนะม่ว่าจะเป็นใครก็าสามารถเข้าถึงธรรมะได้ว่าแต่ตั้งต้นที่ถูกพนะยายามรู้สึกตัวให้เป็นอ่านรู้สึกตัวนะเราก็พยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ต้องไปแยกแยะว่ารู้ที่ส่วนในส่วนหนึ่งไม่ต้องไปแยกแยะว่านี่คือมือว่านี่คือขาว่านี่คือลม ไมต้องรู้สึกไม่ต้องไปแยกแบบนนะั้นให้รู้สึกตรงไปตร ง, ตรงเลยว่าตอนเนี้ยอะไรที่เขาเด่ น, น, นเขาสแสดงอาการเด่นในตอนนี้เราดูมันตรงไปเลยนะบางคนอาจจะเรียกว่ายกมือเคลื่อนไหวอวัยวะที่เคลื่อนไหวมันเด่นเขรู้สึกตัวเท่นั้นไปหรือบางคราวอวัยวะที่ไม่ตั้งใจที่จะทําให้เคลื่อนไหวแต่มันก็รู้เด่นขึ้นมาของมันเองเราก็รู้ของมันไปอนะ แต่ไม่รู้เป็นอวัยวะรู้เป็นชื่อนะรู้เป็นแขนรู้เป็นขารู้เป็นนมไม่ใช่รู้แต่ลนแต่รู้ใยสภาวะที่เป็นเรียกว่าเป็นกิริยาอาการเช่นกิริยาเคลื่อนไหวกิริยาหยุดนี้กิริยากระทบสัมผัสเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นนะรู้เป็นกิริยาที่สารการแต่ไม่รู้เป็นเรียกว่าเป็นวัตถุนะรู้เป็นอาการไม่ใช่รู้เป็นวัตถุนะถ้าเรารู้เป็นอาการนะเรียกว่ารู้เป็นแบบปรมา แต่ถ้ารู้เป็นวัตถนะุนะเลี้ยวยังจะรู้แบบสมมติอยูนะ่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตก็เช่นเดียวกันมะันจะเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยที่จะกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายหรือเหตุปัจจัยที่มันกระทบหรือว่าเกิดขึน้นจากใจตรงนะี้มันเห็นเลยความคิดความชอบความชั่งความสวยความสุขความทุกข์ มันเกิดขึ้นก็มีเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าเพราะว่าใครบังคับได้จะเป็นแตการเหตุทางปัจจัยเท่านั้นเราก็ดูอาการ น, นะกาแสดงนะดูเขาแสดงดูข้อแสดงมันไม่ใช่เราเหรอกะเป็นเพียงแค่การแสดงชั่วคร า, าวของจิตเท่านั้นไม่ใช่ของใครนะเท่านั้นในการแสดงชั่วคราวที่จริงก็ไม่ใช่ของจิตแต่มันเกิดขึ้นที่จิตชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับภาพยนตร์ หรือว่าละครหรือว่าข่าวที่เขาแสดงผ่านจอโทรทัศน์นะแต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเปลี่ยนช่องบ้างเปลี่ยนเรื่องบ้างเปลี่ยนบทบาทที่แสดงบ้างมนะันไม่สามารถคงหรื่แช่คนะอสไว้ให้อยู่ในภาพเดิมตลอดไปได้หรอกจิตของเราไม่สามารถสตา้งอารมณ์ไว้ได้แบบ น, นั้นหรอกไม่สามารถหยุดอารมณ์ไว้ได้เช่นนั้นถ้าเราไปหยุดอารมณ์ไว้นะ ถ้าเราสุขเกิดขึ้นเราจะให้ยังให้สุขตล อ, อดไปไรีว่าทําผิดกฎของธรรมชาติแล้วเป็นการบังคับบังคับหรือว่าตั้งใจจะทําให้มันอยู่ตล อ, อดไปมันผิดทําผิดจากแล้วผมจะชาติสอ น, นเรื่องอายอะสัตตีตอนให้เรารู้จักอะไรรู้จักทุกทุกอยู่ที่ไหนทุกก็คือกายและใจทํามารู้จักทุก ก็คือกลับมารู้จักกายและใจถ้าเรากลับมารู้จักกายและใจจะเห็นว่าทุกข์มันอยู่ตรงนั้นแน่ความเป็นทุกข์ที่มันทนถึงอาการเดินไม่ได้ความเป็นทุกข์ทำให้ทําให้มันเปลียนเปลี่ยนแปลงไปแต่เปลี่ยนไปความเป็นทุกข์มันทำให้ไม่มีใครบังคับบัญชามันได้นี่กลับมาดูความเป็นทุกข์ที่มันอยู่ในรูปเรื่องในนามในการมีใจทุกสัตว์ทุกโลกทุกนามนี่แหละนะ ทกตัวทุกตนทุกคนเนี่ยแหละมันมีความเป็นทุกข์อยู่ในนั้นไม่ใช่ไปดูความทุกข์ที่คนอื่นเราไปเห็นข่าวคนนั้นตายคนนี้เจ็บคนนั้นสูญเสียร้องไห้เราเกิดน้อมจิตนะตลอดตํ า, ตาเนียไปด้วยมันก็เรื่องไม่ใชนะ่ของจริงนะของจริงก็เห็นทุกข์ในตัวเองเนี่แหล ะ, ะเป็นคนอื่นทุกข์ยังไม่ใช่ของจริงต้องเห็นว่กายใจเราเนี่ยมันทุกข์คือเรื่องของจริง แต่การเห็นไม่ใช่ว่าสํารองมันทุกหนักๆ ห, หรอกแค่เห็นว่าใจระหวัดไหวนะวันไหวไปกับอารมณ์อะไรก็ได้แต่เช่นเห็นคนอื่นตายหรือความดสดสเฤตในใจเห็นว่าจิตมันปิดจากความผิดปกติเห็นว่าจิตมันสดสเฤตมันเศร้าหมองอ๋อเนี่ยแหละจิตมันติดทุกแล้วมันไม่สามารถทนอยู่อา ก, การเดิมได้เนี่ยถ้าเรากลับไปเห็นอันนี้อ๋ไม่ใช่ไปเพิ่มหรือว่าไปอินไปกับ ความสำเร็จนะการความเรียกว่าทุกใจในเราติดตามนะั้นเป็นการเบื่อหน่ายเพราะว่าเห็นติดอื่นก็ไม่ใช่แต่ทีจริงมันเกิดความเบื่อหน่ายมันเกิดความรู้ตัวเพราะว่ามันเห็นอนรมณ์ตัวเองนี่แหละเห็นอารมณ์ตเองมันแปรเปลี่ยนไปความสุขก็เช่นเดียวกันก็ดูมัไปมันทนอยู่ได้ไหมแต่ตุก ข, ขนาดนี้ก็ทน อ, อยู่ไม่ได้แต่สิ่ที่มันอยู่ตลอดไปนะ่นคืออะไรความเป็นปกติ ความเป็นปกติจะว่าสุขก็ไม่ใช่นะอ่าจะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่จะว่าติดเฉยก็ไม่ถูกทัดทีเดียวนะแต่ความเป็นปกติไม่สามารถอ่าจำกัดนิยามอาการใดได้ความเป็นปกตินะถ้าจะเปรียบก็คือความที่ไม่เรียกว่าไม่ทุกข์แล้วก็ไม่สุขนะแต่ก็ไม่ใช่เฉยเฉยไม่รู้อารมณ์อะไร แต่มันรู้แล้วก็ไม่เข้าไปข้องแวะกับอารมณ์อะไรทั้งหลายนะอาการอะไรจะเกิดขึ้นติดยังมีความเฉดเฉยเป็นปกติอยู่มันมั่มั่นไม่ไหลไปอารมณ์อะไรเนี่ยคือสภาวะที่เรีว่าไม่ทุกข์แล้วก็ไม่สุขในะความรู้สึกตัวซื่อๆตรงๆเลยฉะนั้นแต่ไม่ใช่ซื่อแบบไม่รู้อะไรแต่เป็นการซื่อแบบรู้ทุกอย่างตาม ค, ความเริงจริงเพื่อมันรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริง น, นะ จิตมันก็ไม่เอาอะไรกับพวกยาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละมันจะเกิดได้ว่าเป็นสัญญาในการเห็นความจริงหรือการปล่อยวางในการยึดมั่นถือมัน่นจิตทั้งหลายทั้งปวงในพวกเราได้ได้ฟังความอารมณ์ในการปฏิบัติไว้ก่อนอตอนนี้ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรอยากพยายามคิดเข้าใจน ะ, ะการบรรลุทางการเข้าใจธรรมะ ไม่สามารถกระทําได้โดยการคิดตนนะิดต่อแม้จะมี EQ IQ สูงส่งขนาดไหนนะก็เป็นสามารถคิดเข้าใจธรรมะได้ธรรมะนะเป็นสิที่ต้องฝึกหัดอนะันนี้เรื่องของทักษะไม่ใช่เรื่องของสมองหรือเรื่องของความจำเป็นเรื่องของทักษะในการที่ต้องฝึกหัดให้มันต่อเนื่องให้มันชานาญให้เกิดเป็นความคล่องตัวให้เกิดกายเป็นการเป็นเองของมันเนาะ นเ่องที่เราต้องฝึกขันไม่มีใครทำมากได้ทำมากแบบเร่ร่อนแบบฟุบฟุไม่มีหรอกต้จะต้องฝึกขันเอากี่กเอาจเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแรกเพราะว่าได้คนะต้องเอาีวิตเข้าแรกคนะีวิตนี้คีวิสเดียวไม่พอเขาแรกไปทั้งะตลอดพบตลอดชาตินี่แหละนะต้องตั้งใจแบบนี้เด็กไขยย่กินนะมันถึงจะไดนะ้กับความไม่รู้ให้มหายไม่ไดนะ้ต้องตั้งใจแน่แน จะทําแบบเพิ่มเหนื่ยลอยใจทแบบผัดปันตะปันกุ่งนะัทไม่ได้กินตลอดนะักอ่าเพราะกิเลสมันนอนเนื่องในจิตใจในกมางธรรมามั น, นมเนื่องนานม่ธุรกิจ ก, กับกิกา น, น ะ, ะนะการที่จะขัดเกาปูดเกาที่กิงจะเรียกว่าให้ออกนะให้จิตมันถ อ, อนจากความสโปรกตร ง, งนั้นได้ก็มาใส่ความนแน่วแน่แต่ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถ้าสังเกต แค่รู้สึกกลัวขนาดหนึ่งมันก็ถอนออกมาแล้วชั่วขนาดหนึ่งแต่มันเหมือนเหมือนโลกเราอะ่ะมันมีแผ่นนุถั่วของโลกคนระับคนจะกระโดดขึ้นสู่ขนาดไหนนะมันก็ตกลงมานะความค่อนขีดเติบโตขนาดไห น, นมันก็ตกลงมามันเป็นแผ่นนุ่งถั่วนะกิเลสมัเหมือนแผ่นนุ่ถั่วของโลกนั่นแหละมันดึงเราให้ตกต่ำ อ, อยู่ทุกขนาด น, นะใครจะพุ่งจะทั้งคนแหงมนุ่งถั่วของโลกนะ ต้องใช้ความเพียรเป็นอย่างดุเหนะมันก็จะจรวจที่จะพุ่งรอกเหนือจากแรงโนถ่วงของโลกนี้ก็ต้องมีแรงพุ่งที่สูงมากนะแรงมากเอจะนอกถึง่อจะพลันแรงแรงด ง, งดูดของโลกได้จิต ข, ของเราก็เหมือนกันต้องฝึกให้มันจินตางไปถ้ามันคลันแรงดึงดูดแรงนถวของกิเลส น, นะเราต้องเอาจจริงจังนะมันก็ไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ง่า ย, ยาเพียงทีเดียวหรอกนะ ต้องทำให้รี่ว่าถ้าทําถูกทางนะทาถูกทางมันก็เรียกว่าเรินถูกทางแล้วก็ได้ธรรมะนะเป็นสิ่ที่ทําให้ใจิตใจพ้นออกจากความทุกข์ได้คนระับมันก็เรียนให้ว่าเราทุกคนไว้งานะโดยเย่อแล้วกนะ็แต่พวกเราก็คงใช้เวลาในวันนี้ทั้งวันเนาะในการกระทันะ่งฝึกหัดทักษะในการรู้สึกตัวแล้วก็คงจะเป็นพื้นฐานในการในกระทําต่อในชีวิตปรจำวันของเรานะ เป็นคู่ใหม่ก็ดีคู่เก่าก็ดีนะก็ที่จริงทําตัวเป็นคู่ใหม่ตลอดเวลาก็ดีนะแต่คิดว่าชั้นเก่าชั้นขาชั้นเปลนแล้วไม่ไม่ไม่ถูกทำตัวเป็นคู่ใหม่ตลอดเวลานะคู่ใหม่ในการเรียนรู้กายใจใหม่ๆเท่านี้แหละนะเพราะที่จริงอาการอารมณ์เกิดขึ้นมีแต่ของใหม่ๆนั้นไม่แต่ของที่มันดีกลับมาอดีตเคยคิดอย่างไรอารี่เคยเกิดขึ้นอย่างไร กลับมาที่อีกก็คือนอารมณ์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นใหม่มันอาจจะดูคล้ายเก่าดูชื่อเหมือนเก่านะดูกัละครแบบกเก่าแต่จริงมันแสดงใหม่ตลอดเวลานะให้ทําตัวเป็นผู้ใหม่ในการภาวนาอยู่เสมอนะจะได้ไม่ประมาณอ่านะแต่ถ้าเราทําตัวเป็นผู้เก่ามันจะกลายเป็นความประมาณได้เงินไปนะแต่ให้เราถ้าใหม่ได้กินนะี่แตมมมนะ่มีความเก่ามีควาเก่าในการะอะไร เห็นอารมณ์ก็เรียกว่าหาดให้ไม่ได้นะเช็นความม่วงเกิดขึ้นอ่ากอรู้มีประสบการณ์แล้วจะออกจากความม่วงแบบไหนไม่ใช่จะเป็นผู้ที่จมกับความม่วงอยู่ตลอดไปอย่างนั้ น, ะนะความคิดเกิดขึ้นก็ต้องเป็นผู้เก่าในการที่จะออกจากความคิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะคิดทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับการปฏิบัติใหม่ๆเขาไม่ใช่แบบนั้ น, นต้องให้เป็นผู้ที่มีทัาษะในการเรียกว่าพาพาใจออกจากความทุกข์ให้ได้นะ ดิเรกทักษะในการที่ว่าให้เราเดินถูกที่ให้ลงที่ผิดทางนะก็จะคอให้ท่านผู้ท่านมาธรรมวก็เราต่อแล้วก็ให้ั่นในภาพพวกเราเนาะฝึการปฏิบัติกันนะคนเก่าล้คนใหม่ไปภาวนาร่วมกัน ปฏิบัติแล้วก็อย่างที่ประจันร้อนบอกนะวิธีการที่เราจะพาตัวเองให้รู้สึกตัวเนี่ยเป็นวิธีเดียวนะที่จะทําให้เราเนี่ยได้ตึงออกมาจากเรียกว่าบ่วกของกิเลสที่อาจะรย์เราบอกว่านอนง่วมาเนาะกับจิตของเราไม่รู้จิตก็ผิดพลาดตรงนี้เราก็เป็นวิธีการที่เราก็ยังคง อาศัยความรู้สึกตัวตรงนี้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเองก็จะบอกเอาไว้ชัดเจนเนาะก็เริ่มที่ความรู้สึกตัวตรงนี้เนการสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนแล้วก็ทุกวันนี้มีผู้คนเห็นก็เรียกว่ามีน้องตาเห็นทำกันก็จะกล่าว่าความรู้สึกตัวตรงนี้เนั่นก็คือสิ่งนีนนน้ผู้ที่เคยปฏิบัติไปแล้วก็นะฮะ อยู่กับการนั่งเนาะรู้สึกกับสิกงสี่บมูกกันในะส่วนคนที่ยังไม่เคยนะก็เราลองดนะูความรู้สึกตัวนะเราเริ่มต้นที่กายเนาะรู้สึกที่กายรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนะอย่างที่มิ่ิมิจาร์นอยดบอกว่านะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมันรู้สึกกับเนาะปริยางนะอาการที่เกิดขึ้นตรงเนี้ย มันจะเป็นสิ่งที่เราเรียว่ามันจะเป็นสิ่งที่พาเราเนาะให้จิตเราเนี่ยได้รับรู้ได้รับรู้สิ่งที่เป็นของจริงไม่ใช่ติดกับสมมุติอยู่มันจะนั้นตรงนี้นะักให้เราเนาะเราคนที่ยังไม่เคยนะออาอาความคันขนะ่าหน้าสบาย ส, ายสายบายแล้วสบายๆข่าการปฏิบัติตรงนี้เนาะ เราเริ่มที่ความรู้สึกตัวเรารู้สึกได้ไหมว่าตอนนี่มือที่ขาดรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้เลยนะนะทันทีนเลยนะแล้วก็รู้สึกได้เพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้นะความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่สิ่งที่มางบั้ความรู้สึกตัวคือความคิดนะเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้นะเราเนี่ยเขาเรียกว่าหลงไปคิดหรือกลับมารู้สึกตัวนะถ้าเรารู้นะ ก็คือตรงนี้นะเราไปจะหลุดนะหลจากความคิดนะแต่ถ้าหากว่าเราหลงไปที่ความคิดเราก็จะไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะมาเราจะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนหวนะของร่างกายเราเราขึ้นมือขาให้แข็งขึ้นขึ้นมือขาให้แข็งขึ้นดูไหมนเรามือขึ้นอยู่ดูนะรูได้นะรู้สึกกับมันได้ยกมือขวาขึ้นนะ มือขวาต้องไม่พิทองตีมือซ้ายแรงขึ้นยกมือซ้ายขึ้นพอดีมือขวานะจับไมโครโฟนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือมือขวาจับไมโครโฟนอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือก็เลยก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยน แล้วบอไปแต่ว่าปาก่บอกบอกว่าตอนนี้มือซ้ายยกอยู่นะฮะใช่ไหมครับีนี้เราก็เอามือซ้ายมาตับมือขวาตัองเดินมือปากขึ้นรู้ได้ไหมต้องรู้ได้เมื่อกี้ทาตาโตไม่ใช่ไม่ใช่นะนะฮะเีนี้นะฮะเคลื่อนมือมาเอ่อเดินมือขวาออกอ่อวางตับบนเขาตัมงลง เลือมือซายขึ้นดูนะครับดูนะนะยกมือายออกนะปรบับความคําความหลงตรงเนี้ยนะเรานะตรงนี้เราอาจจะยไม่รู้สึกตัวดีเพราะเนื่องจากว่าอาจจะงงๆอยู่บ้างงงๆก็คิดนะ <c ười> คิดมันสับสนๆ อ, อ, อยู่ตอนนี้ความคิดมันก็จะแยั่งความรู้สึกตัวมา ในขณะที่เราสังเกตนะว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดเนี่ยเนาความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะถูกนั่ไปเมื่อจิตเนี่ยจะไปทํางานเนาะไปทํางานอยความคิดเพเข้าก็ไม่มารู้สึกตัวจนกว่าเนาะเราเนี่ยจะตั้งใจกับคารู้สึกตัวจิตที่ไปยุ่งวุ่นวายอยู่ความคิดเท่าๆจะดับไปก็มีจิตงงใหม่ที่เกิดขึ้นมาอยู่ความรู้สึกตัวตรงนี้นะเพราะฉะนั้นที่เราสังเกตรตรงนี้นะ ให้เราสังเกตกันเพราะนั้นคือตรงนี้จังหวะนะฮะที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้บอกมาอืมนี่เราให้คุยแต่แคงขึ้นนะยกขึ้นนะนะครับเครื่อนมาเนี่ยตรงนี้เป็นแต่ละั้งแต่ละท้งแต่ละั้งถ้าหากว qui ่าใจลอยไปไม่เป็นไรมันจะมีการเคลื่อนต่อๆมาเน่ยเพื่อที่จะลองรับความรู้สึกตัวทั้งใหม่แปลกใหม่นั่นคือตรงนี้นะฮะลองใหม่นะฮะเรมีความรับ ที่คุณขาแข็งขึ้นเยอะขึ้นทำเอาไว้ที่ท้องที่คุณซ้ายแข็งขึ้นเยอขึ้นไว้ที่ทองเดินมือขวาขึ้นเย็บกอกข้างๆฝ่ามดขคํามหลงเดินมือซ้ายข้นยบกอกข้างๆฝ่ามดขามความนลที่คุณขวาแข็งขึ áng, ้นเยอขึ้นวางไว้ที่ท้อง พมือซ้ายแตะแขนขึ Brook ้นยกขึ้นมาไว้ที <inel ossible S 1> ok ่คอเริ่อมือขวาขึ้นยกออกข้างข้างมาบนขามความร่มเลิ่อมือซ <as>? ้ายขึ้นยกออกข้างข้างมานขามความร่มอีกข้างพลิกมือขวาแตะแขงขึ้นยกขึ้นวางไว้ที่คอพลกมือซ้ายแตะแขงขึ้นยกขึ้นวางไว้ที่คอเริ่มมือขวาขึ้นยกออกข้างข้า าวนขามความลงเลื่อนมซ้ายขึ้นยกีอยข้างข้างมาวคํามความงงลองทำดูเราทดูพ้จั่นงกนะฮะผ้าจั่นงลองทำดูเริ่มที่มือขวานะอันนี้เราเนี่ยนะพอนะพอจำท่าได้เนี่ยให้ตองเข้าสู่ความรู้สึกตัวกันเลยนะฮะ เป็นส่วนประกอบแต่ส่วนหัวใจหลักก็คือความรู้สึกตัวนะตรงนี้รับนะรู้สึกนะกับการเคลื่อนการหยุการเคลื่อนการหยุดตรงนี้ดูรันะงฟังใจนะตังใจรับรู้ความรู้สึกนะกับการเคลื่อนเป็นจังหวะจังหวนะถ้ารู้สึกได้บ้าเถิดกคิดก็กลับมา รู้สึกแรงระเถิวไม่คิดนะกลับมานะกลับมาลองนะครับลองเินที่ขวาถึงมือขวามาไปที่ทอ้องก็พลิกมือซ้ายขึ้นคนระับมือขวาวางไปที่ทอ้องนะพลิกมือซ้ายแรงขึ้นปลิกมือซ้ายที่อยู่บนเข่ามือยิ่อยู่ที่อยู่ที่ท้ทองขึ้นทำไม บางคนเข่าสองข้างก็ได้บํารบางคนขัาสข้างกันดบาริงบางบนข่าสองข้างกันความงอนรบิดมืขวาแต่แขงขึ้นยกขึ้นไปทิดท้องที่ทอที่ท้องฮรืซ้ายแตขึ้นยกขึ้นไปที่ทองผ่านูือขวาเดินขวาขึ้น รีดตึงแล้วยกข้อข้ามบนขากลับมาที่เดิมมาแล้วค่อยัมปัมลมเดินมือซ้ายขึ้นเดินมือซ้ายขึ้นก่อนเดินมือซ้ายขึ้นก่อนยกข้อข้าล้เดินมือซ้ายขึ้นเดินมือซ้ายขึ้นอ่ะยกขข้างมาบนเขาความลม่ีดตึงผ่านแหนขึ้นยกขึ้น เมาว้ที่ท้องติ๊กมือซ้ายแต่แข้งขึ้นยกขึ้นเมามว้ที่ท้างทับมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นยกออกข้างๆวางมือขำความหลงเลื่นมือซ้ายขึ้นยกออกข้างๆวามือขำความหลงติกมือขวาแตะแข้งขึ้นยกขึ้น หมอที m m ่ท้องดองสายตะแยงขึ้นยกขึ้นหมไบลที่ท้องนัทับดึงขวาเดินดึงขวาขึ้นยกอข้างข้ายกออกิดนึงยกออกนีดนึงอ่กมือขวาออกข้งข้างยกอีกนิดนึงอีกนดนางอ่ะมอบขความนุ่เดินดึงายขึ้นยกอข้างข้า คาุงขาาหมุนคลิปหมุนปากตะแคงขึ้นยกขึ้นหมุนไปที่ถังอะไรคลิปมือซ้ายตะแงขึ้นยกขึ้นบมงนทับหคุามเรื่อเหมุนปากขึ้นยกออกข้างข้างามุ่งขาความมนเรืองมือซ้ายขึ้นยกออกข้างข้าง บางบนขามความมุงติ๊กมือขจะแข็งขึ้นยืขึ้นยขึ้นนะวางไว้ที่ท้องติกมือซ้ายจะแข็งขึ้นยืขึ้นนะางทําสุขวาเดินมือขวาขึ้นยืออกข้างๆบางบนาความมเดินสายขึ้นยือออกข้างๆ ควบความหลมือขวาตแคงขึ้นเยอขึ้นมาไว้ที่ท้าติดมือซ้ายตะแคงขึ้นเยอะขึ้นมาทับมืขวาเงื่อนมือขวาขึ้นยอะเกาข้างางมานขาความหเลื่อนซ้ายขึ้นยอะเกาข้างขางมาบนข อารมณ์เราทำดูนะเรงทำดูใจสบายๆนะครับบางที่เราหักใหม่ๆก็อาจจะมีผิดบ้างไม่เป็นไรแต่ก็มีแค่มือซ้ายขวานะแค่นั้นเองนะครัมือซ้ายเหมือนทำที่มือขวานะครับดีมากๆ เรื่องไซส์ขึ้นเรื่องมไซส์ขึ้นเรื่ออย่อความข้างขงมาาวพักบอกลองทำดูลองทำดูกดปีจับภาด้านก็นะเข้าไปสู่ความรู้สึกตัวนะฮะรู้สึกกับการเคลื่อนนะฮะเป็นกิริยาของร่าการที่มีการเคลื่อนไหวนะ ในจิตกับการการเคลื่อนไหวเอาไว้นะแล้วก็ทํานองเดียวกันนะถ้าเรารู้สึกได้ว่าเรากำลังคิดอยู่นะก็กลับมาประมาณ ก, การเคลื่อนไหวบางทีพอเราเคลื่อนได้แล้วเนี่ยบ า, างทีใจมันก็ลอยทันทีนะตอนที่เราเหมือนกับยังเคลื่อนไม่ได้ก็ใจก็ลอยเหมือนกันแหละแต่ก็เมันไปรอยอยู่ที่มันคิดว่าเี๊ะทํำยังไงเอ๊ะทำยังไงตรงนั้นก็คิดไปแล้วนะครับจนจะนถึงคืนตรงนี้นะเราเองนะ คอยสังเกตความรู้สึกตัวรู้สึกได้ไหมนะตอนนี้มีการมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดนะตรงนี้นะอย่าไปบอกว่ากุญแจนะสําคัญเลยคุณแม่ของความรู้สึกตัวนนะฮนะนะมนะมมนะไม่ว่านะเราเจอไหนก็ตามเนีน่ยนะความเพียรที่จะรู้สึกตัวนะที่หลังจะเป็นการเพียรที่เราจะฝ่าดา่านนะจิตที่คุ้นเคยกับความอยากเนี่ยนะ ในสุขจิตที่จะรู้นะครับต้องดูนะครับ เราเพียงแค่ยกนะฮะยกขึ้นมานะยกขึ้นมามีการเคลื่อนนะฮะมีการเคลื่อนมีการหยุด น, นะฮ ร, รู้อยู่ระนาดนะครับรู้อยู่ระนาดเพียงแต่ละสิ่งที่จะทําให้เราไม่รู้กคือเราหนุนคิดนะฮะไม่ เ, เหมือนกับเราทํางานนะก็เป็นอัตโนมัติใช่ไหมฮนะเราก็มือก็ทําไปใจก็ไปอีกทางหนึง จะเป็นร้านจานจะเป็นแปลงความจะเป็นกินข้าวที่เราทํายี่เป็นประจำนะฮตรงนั้นที่เราไม่รู้สึกตกัวเพราะว่าทั้งหมดหมดไปกับเวลาที่เราไปคิดนะมือก็ทําไปความคิดก็คิดไปคนเราทางสองทางกันแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะบอกกันบอกว่าเมื่อการเคลื่อนไหวเนี่ยเข้าใจมันคอยรับรู้นะฮะเมื่อการเคลนไหเนี่ยหัวใจมันคอยรับรู้ฉนันก็นึกถึงตรงเนี้ พวกเราใน่ต้องห่วงนะสติของเราก็สมบูรณ์ดีอยู่นะกายใจของเราก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถือตรงเนี้ยสิ่งที่ทําให้เรายัางไม่ค่อยก็เรียกว่ายัางไม่เคยก็คือเพราะว่าเราไม่เคยหันไม่เคยทําำนะแต่ว่าเราเริ่มต้นเนี่ยนะอย่างทนะี่เมื่อกี้ว่าใจมองต่อนะทำมากนะแล้วแต่เราฝันไปแล้วพัฒนา แ, แต่ว่าทั้งพอเราเริ่มปฏิบัติปุ๊บอย่างนะฮนะตรงเนี้ย ก็จะเดินเองนะต่อให้เราดึงต่อให้เราคิดยังไงก็ไม่ผิดทางนะแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยตัวทักษะนะตัวความํานาญตัวที่ทําได้แล้วทําเป็นแนละ้วตรงเนี้ยจะทําให้เราพบผลนะของการปฏิบัติธรรมก็คือความที่พุกน้อยลงน้อยลงอย่างที่เราสัมผัสนะนะนะนะได้รู้สึกได้นะครับมันจะตรงที้แก็จะเป็นสิ่งที่ถ้า การเป็นเนี่ยจะไม่มีถ้าเกิดว่าเราไม่หันถ้าหันก็จะเป็น ข, ข, ขึ้นเป็นขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเั้นนี่คือตรงนี้นะก็ให้เราไม่มไม่ต้องกังวลนะเราตั้งใจตั้งใจถาจมกันนะตอนนักเรียนรู้มาสักครู่นึงเห็นเป็นไม่ใช่เหตุเป็นขนาดเหตุเป็นครั้ง แต่เราจะเห็นแค่ธาเป็นธาตุเขินธาตุมือเคลื่อนเป็นธาตต่อเนื่องกันไปในนี้ในนี้เนะี่ยในกายเห็นเป็นภาตุความรู้สึกตัวไม่ใช่ธาตุความรู้สึกตัคือความรู้สึกกลัวนะไม่ใช่ไปว่าเป็นธาตต่อเนื่องนะแต่บางทีมันก็รู้สึกคล้ายๆมันก็ไม่เป็นไรลแลนะแต่อยากให้เป็นท่านให้ัชัดโดยการ ท, าที่เราพยายามหลับตา แต่ถ้ามันจะเป็ น, นาบางครั้งบางขณะมันอยูอย่ในที่มืดมันจะรู้สึกแบบนั้นสรอทำแบบนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เราฝึกนะาะตาไทยกับความที่อยากจะให้เห็นมันชนะัดๆัดหรือบางทีเราต้องการให้มันสงบก็เลยหลับตาช่วยอนะันนั้ทนเองให้มองไปเลยดูไปเลยไม่ต้องให้มีันสะบกแบบไม่คิดอะไร ไม่รู้อะไรนี้ใช่ไปคิดก็ไม่เป็นไรคิดก็รู้ว่ามันไปคิดก็ไม่ต้องกัวมันจะเป็นความรู้สึกตัวที่พอดี ม, อมันจะเห็นตรงไหนมันจะงีปัญญาเห็นเช่ น, นี้นะบางทีตอนนี้มันรู้สึกชัดตอนนี้รู้สึกไม่ชัดเห็นความไม่เที่ยงของความ ของความรู้มันก็ยังไม่เที่ยงไม่ใช่อยากจะเอาชัดตลอดเอาชัดอย่างเดียวอันนั้นก็คือมีความอยากจะให้ชัดตลอดจะให้อยู่ตลอดไปนะฮะถ้าเราทําตามความอยากมันก็ทำหรือว่าทำต า, ามการหาก็คือการเหตกขอความทุกข์ รู้สึกเป็นครั้งเป็นครั้งนะสำคัญอย่างพิกรู้ยกรู้กระทบรู้นะรู้เป็นครั้งเป็นครั้งรู้แล้วก็บางตัวรู้แล้วก็ไปรูนะ้ตัวใหม่ขึ้นเด็ขึ้นมาใหม่ที่มันทำใหม่นะไม่ต้องฟังชา้าไม่ต้องรู้แบบรู้แบบร่าๆ่านะรู้แบบยาวแมวนะไม่ใช่แบบรู้ รู้เรื่องใช้ช้ารู้ใช้ช้านะครับรู้แบบใช่ชับนะเก่งแบบใช้ช้าใช่ชับรู้รู้รู้ถ้าเรารู้แบบใช่ชับนะเออมันก็บางทีบางขณะมันจะรู้หลายอย่างนสะน้อนต่อต่อกันไม่เป็นไรแต่อย่ให้มันลากยาวนะแต่มันรู้เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งมีความขีด มันเป็นความดี่ที่มันรู้ต่อเนื่องครับเป็นความดีเมก็บจุดไข่ปลาที่มันหุดติดีกหยุดติดอีนะแต่ไม่ใชเต้นที่แบบรากยาวต่อเนื่นะการตุกเจอสติเนะี่ยเปต่างจากการทำสมาธนะิตรงนี้ด้วยการทําสมาธิก็คือการที่น้องจิดเนี่เรียกว่าอยู่กับอารณเดียว ยาวไปเลยปอะโยช่์สิ่ในสิ่หนึ่งตลอดสิ่ก็เกิดความเที่ว่าผมที่นะกระบอกมันรากไปแต่ของสตัวมันตั้งมั่งถ้ามั่งแบบผูร้รู้เห็นจิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไก็นใจจะดีเอกรที่เห็นมันตั้งมั่ง ไอ้ตัวที่ถูเห็นมันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดเกืดอับดับแต่ตัวที่รู้อยู่มันตัน้งมั่น การไม่ใ่ห้คนให้คนเนี่ยยังไงนะนรูปของกายอาจะให้กัรเทาให้บำบัดให้แก้ไขรักษาเพราที่มันทำได้นะขยับมือวาไว้สบา ย, บายแต่ลองแบบถ้าจะ้องเคาะเรื่องจะได้นะปิดมือหงายมือก็ได้นะตึงนิ้วก็ได้นะ คือบางคราวเราอาจจะไม่ทำสิบสี่จังหวะทำแค่สองจังหวังก็ได้พิกคว่มกําแดนะน่ะตึงน่ะหมุนก็ได้นะดักสำคัญของาพราะเคย์อย่างไม่อยากให้พวกเราอยู่นิ่งๆเคเอเพื่อมันนิ่งเฉยไม่ไหร่ะมันก็ความคิดต่อไปแล้วตอนนี้ไม่มีฐานในทางลึกเนี่ยความคิดต่อไปแล้ว ใจลอยไปใช่อ hmm. ่าจลอยไปเราต้องพยายามนะบางทีนะไม่ได้นะทำเนี่ยให้มันแบบพอสัมผัสลงมามันก็เือนตัวขึ้นมาเตือนตัวขึ้นมามันจะคิดก็ไม่เป็นไรคิดพอโดนตะกิจกับมาก็กลับมาหมเหมือนเราเจลอยอยู่เนมาตะกิดมันก็กลับมารู้ตัวได้อยู่นมาใกล้เนาะัรู้ตัว เหมือนเรานอนหลับใช่ไหมต้องเทิมนะมีคนมาสกิดมีคนมาเรียกใหือันนี้เหมอนกันเราเรียกตัวเองให้ตื่นตัวขึ้นมาเนาะตัวเองตื่นขึ้นมาทำแบบนี้นะไม่ใช่แค่แค่ปวดท้องไ้ขาแต่ทาให้ใจมันรู้ด้วยค่อยๆลุกขึ้นยืนเนาะจะเราสามารเดินนะค่อยๆ เราเปิดไหมรูปตัวผาแกเป็นรูปงานแล้วเจ็บก้าเป๋าแล้วที่นั่งในกระกป๋าใช่ไในกางเกงเสร็เป็นเน็ตเป็นเกลียวต้องโยกตัวให้มันให้ขาแค่มันได้ผ่อน้ายว่า อาจจะเชิญไปถอยไปข้างหลังกันไปติดตรงไปใกล้หน้าถามห้องแล้วก็เราดูให้แถวใกล้กันก็ได้แต่แต่อย่าให้แมียาวหลายส่วนตรนไหนที่พอว่าตั้งแถวในเด็กแต่ละสองสามคน ลองเดินกับที่ดูจะได้น้ำมันไทลข้ามเนื้อส่วนบ่าไปด้วยเนางทีเรารู้สึกใช่ไหมเท้าสัมผัสก็รู้ยกขึ้นก็ร <Laser. S 1> ู้ตึงทีก็รู้ในการโครงของกายเย็นทางใต้ทีทางวาตี ยกจากใหนสบายนะเราเดิอนอ่ะเราเดินธรรมดาไม่เกรงไม่ล้มเพราะอะารเราผ่อนคลายแต่ถ้าเราเกรงมาจอดเหมืนหุ่นยนต์เก๊ะๆต่างๆไม่มั่นคงยกสูงก็ได้ยกก็ดีก็ได้นาแล้วแต่นะใจที่ไหนตัน้งใจนะ ลอยไปไหมอร่อยก็กลับมารู so ้สึกกับการเดินใหม่รู้สึกกับการเดินนะเดี๋ยวผู้เก่ากนเดินกันได้แล้วนะเดี๋ยวให้การุแนะนาสาหรับผู้ใหม่ในการเดินป็นคงที่ดื่มได้เดินเช็ดชาเดินแบบชาหรือว่ากำหนดนะ แต่พวกเราฝึกเดินแบบใกล้เคียงธรรมดาเดินธรรมดาเนี่แหละรู้สึกนะอะไรบางอย่างในตอนนั้นก็รู้ไปนะเป็นสัมผัสรู้สึกก็รู้ยกขึ้นรู้สึกก็รู้บางทีมันรู้สึกที่ลมแอร์สก๊อปก็รูนะ้เดินธรรมดานะใจเอือบไปคิดก็รู้ไนะ่รู้เลยรไดไม่ต้องรากประมนจะต้องรู้ที่ใดที่หนึ่งตลอดต่อเนื่องให้เ่เอนนั้นนะนะ แต่เราสร้างฐานในการรู้ร เ, เรื่การเดิมแต่บางทีมันไปเู้จการเดินบางทีเขาไปรู้อย่างอือง่นนะ้าหวงไม่ใช่สิ่งทีเท่เราค้ำได้อ่าเป็นเรื่องวิ่จิต ม, มันไปรู้คงบางทีแต่ถ้าเราไปกําหนดอย่างเดียวที่เดียวมันได้ระดับสมาธิได้สมาธิธรรมฐาแต่ถ้า ร, ารู้แบบสบายๆรู้แบบอะไรก็ได้เกิดขึ้ใ น, ใใ น, ใในในใจนี้ เนี่ยพิพิจารณายามจะเกิดขึ้นแา่การที่เรารู้ตามความจริงนะเห็นไหมเออกลับตัวแบบเดี๋เล็นึงถ้ากลับถ้าเดินสั้นๆกันกลับซ้ายทีกวาทีเป็นช่วยเป็นั่นทำให้เราไม่เบยหน่วยกลับซ้าทีขวาทีก็คอกลับเวลากลับสังเกตแค่กับอันหน้าไปด้าเดียวเช่นเรากลับไปทางตรงันขันหน้าทางหน้าศัตรู เดินมาถาตามาคดีเดินไปทางห้องคดีก็จะหันหน้าไปทางประตูทางเดียวเขไหครับเป็นแค่เทคนิคน่าไม่ใช่กัลยาณบางคราวก็เดินจังหวะขนานี้บางคราวเร็วกว่น <laughs> ี้บางคราวที่ช้ากว่นี้ก็ให้ดูเป็นแบบแบช้าเดินไปเดินเลยนะเดินเดินไม่ต้องช้าตดินไป ไม่ต้องควรจะรู้ไม่ชัดอ่าไม่ต้องควรจะหลงหลงก็รู้ว่าหลบไม่ชัดก็รูไม่ชัดนะรู้อย่างที่มันเป็นมือมเก็บไว้แบบไหนที่รู้สึกว่าไม่เกลอ่บบลานสัายสบายไป่ช้านานแต่ <c oughs> ถ้าเรากลับตัวแล้วเพื่อนเรายังไม่กลับเราก็เดินอยู่กับที่รอเพื่อนการสร้างการเคลื่อนไหวให้ใจรู้ตัวใจใจที่ได้ยเย็นไปด้วยไม่ใช่ว่าอทำไมเ็าเดินช้า ตรงกว้างแต่โดยยาวก็ยังได้แต่้ตามคุณนมบัติมีการขรับตัวไปช่วยเราได้เพิ่มจังหวะที่จะมีสติขึ้นไม่ใี่จังหวะที่ถ้าเดินยาวต่อเนืงไปอย่างเดียวมีกระิดยาว ตัวเธอนล้นก็ถาดความคิดไปได้สองกานั่นงเธอก็เป็นการช่วยหรือว่าาวเราอาจจะมีทัวร์ก็เดินไปยาวๆเราอาจจะดตไปก็อาจจะไอที่ีเดินไปเรื่อยแล้วก็หยุดหยุดให้มันรูตัวดีแล้ก็เดินต่ดดดดออกีกทีอง ใ้อยุดภายในก็ได้ถ้าเราเดิบเดินสวนทานะเดินไปขี้ศรานแล้วเดินไปเท่าไรกเดินรรู้สึกกับการยืนแล้วก็รู้สึกกับการเดิน จะโกงทีไหมเ ห, หมตุใดตอนนี้ไม่เห็ือนว่าอะไรฮะตีใจก่ีนไ่ใจุดสักทีบางคนมีไม่เหีนใจแค่พ่งติยตอไม่เป็นไรนะ มันอาจจะเกิดขึ้นนะมันเป็นความคิดเกิดขึ้นมาแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ไปไปคิดต่อนะแล้วก็จะพอแค่นั้นก้อนนี้ก็ได้นะไม่ใช่ว่าบางทีจะต่ก็ไม่ใช่ปฏิติเราะคนอจใส่ปฏิบัติธรรมดาเหมือนเดิมก็ก็ถูกเหมือนกันแต่บางคนอาจรู้สึกดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจแต่พอเรารู้ทันแค่นะั้นแล้วก็พอแค่นะั้นก็ได้เหมืานันนะไม่ใช่ว่าปิดหรือปูนะแต่ ถ้ามันยังเป็นปกติต่อเนื่องบ้างนะ น, นันก็ดีนะแต่บางทีก็ห้ามไม่ได้เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ก็อพอแค่นั้นก็ใด้เหมืนกันนะไม่ผิดการปฏิบัติธรรมไม่ได้ห้ามให้มันมีรู้สึกอะไรนะแต่มันรู้สึกอย่างไรเรารู้อย่างที่มันเป็นดีใจก็ดีใจสุขใจก็รู้สึกสุขทุกข์ใจไม่ชอบใจก็รู้รู้แล้วก็พอแค่รู้ หลวนพ่อเขียนบอกรู้ซื่อๆเมื่อที้เรารู้ซื่อๆก็ซื่อไปเลยแต่ไม่ปรงแต่งอะไรเลยก็ได้หรือขอจิตมันปรงแต่งแล้วรู้ซื่อๆมันจุดการปุงแต่งตอนนั้นเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะเอารู้ซื่อๆที่ปัจจุบันไม่ใช่ว่าไปเอาดูความกิดกับจิตที่เป็กิดขึ้นไม่น่าเฮียใจเลยบางทีบางคนทึ่งเลยไปไม่น่าดีใจไม่น่า มีปิติเลยนะก็กลัวปิติไม่ชอบปิติกนี้่ใช่มันเกิดขึ้นจริงก็ยอมรับเนี่ยมันเป็นนะอ่าไปให้นละนะนะงนะ รู้สึกไงอยากยกมือต่อหรือว่าไม่อยากก็เห็นใจเราไหมรู้สึกได้ไหมหรือว่านั่งไปก็ปิดมือยกมือทันทีหรือบางคนต้องอยากจะพักอยู่เฉัทีเห็นหมรู้สึกลองทำเลยนะการต่อไปบางทีมันมีความไม่อยากจะยกอยากอยู่ย บนะางทีก็ต้องทำนะหังยาวหาหาสมรัานสักอย่างให้กับจิตมันมีเรื่องรู้บางนคนทำไวทาจริงแล้วก็พอเปลีย่ยนเรียนจบก็เลื่อไนไวแันทีเป็นความเป็นจริงที่นบบเกิดไม่ดีจิตก็จะมีเรื่อง ร, องรู้อยู่ตลอดเวลาโดยเรื่ อ, อแต่ในหม่บทีอาจจะมีไปใช้ วิ่งต้องว่างและแยกทางขอให้ขอให้เจ็กมันได้ทำงานขึ้นหมาอยู่กับปัจจุบันตรงนี้นัไม่ต้องกังตอนไหนจะเบ้อตอนไหนจะท้า อยู่แบบนี้แต่หมายาคิดไปไม่ไรคิดไปแล้วกลับมาอยา่างที่หัวกลับกลับมาใช้ใจในการรูม้มาตามองสบายสบายรู้ใช้ใจในการรู้เบืองสบายสบา ไปครัเื่อกลับมาตั้งใจเราเพิ่มความตั้งใจเข้าไปนะพอเราตั้งใจไหมมันจะยกเป็นจังหวะทีจังหวะอยู่แต่ถ้าเราดียกกมแบบเร่นไปมันจะไลไปไมเค่อยมีจังหวะ ไปน้อยไปบางทีที่ย่างนี่ก็เป็นบทพิจารณาหาเราก็เป็นการฝุกหานะไม่ใี่เห็นว่าเห็นใจเห็นใจของเราคอสั่งยาหรือก็ได้วบางทีเห็นอนี้โอ้แบบยาโผล่ขึ้นมาเลยเห็นอาหารนี้เห็นเฉยเห็นอาหารนี้รู้สึกเป็นปัญงยาต่อมากินแล้วไม่สบายไม่ก็ก็ไม่ได้รู้สึกจะให้เฉยทุกอย่างนะ แต่ดีเห็นแล้วรู้สึกรู้ทันอันนี้มันเฉย อ, อันนี้มันชอบอันนี้ไม่ชอบนะลงรงดูเห็นอะาหารเห็นของเป็นคนรู้ทันอะ่าเป็นการฝึกตรงนั้นพอรู้ทันะมันจะตัดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้ชั่วคราวแล้วก็ไม่ก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์ต่อว่ามันคิดไม่ดีคิดดีนะหรือรู้ประภูมใจหลงก็ไม่ใช่นะ ก็รู้ก็รู้นะรู้ก็รู้ว่าแค่รู้นะคิดก็รู้ว่าแค่คิดนะแค่รู้ว่ามันคิดนะแค่ก็พอละนะแค่รู้ว่ามันรู้แค่นี้ก็พอและนนี่คือเราลองไปฝึกหัดกินานอาหารเนาะนะก็ลองดูทานถ้าลงขึ้นม่อีกทีนะอาจจะลองถามก็ได้บ่อยๆก็ได้นิดเกี้ยวข้าวเห็นไหมรู้ตัวไหมหรือเกี่ยวใบกะปิโนมัตไปนะก็ลอง ตองให้มันมีโต้งเบรนนะเบรในการเร า, าดูตัวหือเราันนะอการในใหม่การฝึก ใ, ในการด้วยจับเบร์ากด้จัก า, กาตัวเองมากเพ่อวยให้เราสมารูบร์ได้เปิ้นแต่จริงไ้ตัวรู้จริงจริงนไม่ใช่การคิดแต่พอรู้มันจะถนัดถ น, น, นัดรู้จริงจไม่ใช่คิดว่าจะถนัดทำอะไร แต่รู้ว่ากําล no ังทำอะไรไม่ใช่คิดว่ากําลังทำอะไรนะสตาฟไม่ใช่เรื่องว่ากำลังคิดในการยกมือนะคิดว่ากําลังกินข้าวไม่ใช่แต่รู้ว่ากําลังกินข้าวรู้ว่ากำลังเดินไม่ใช่คิดรู้แต่รู้เฉยๆลองดูนะสตาวคนนี้นะเป็นการสังเกตไม่ใช่สังเกตเนาแบบมีเนาะที่เรีว่ารู้เฉยๆรู้แบบไม่คิดถ้าแบบนี้เนาะ ทึ่งรู้พึ่งคิดนะมันก็รู้อยู่บ้างแต่ก็คิดเข้ามันทีละบ้างนะ ก, ก็สังเกตเราพอาสังเกตเราจะแยกแกยะได้ว่อันไหนเป็นกวาสุดตัวเรือรู้ว่าอันไหนเป็นความคิดเป็นความปงแต่งอันไหนมันเกลือค น, นประสบนไปมั่วแต่เราก็แยกแยะจำแนกจำแ น, น, ำแนกอาการที่มันเกิดขึ้นได้ เราเคสังเกตอาการแบนี้ไปเนาะไปฝึกขัดนอกรูปแบบเป็นความเสื่มสมาธนะิในการภาวานาของเราทำทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบอย่าไปมงเนาะถึงจนะแฟนจะได้ไม่มีตัวรานนะครับที่ได้ภาวนาแตานน่ต่อในโะ่วงภาคปลายขาวภาคต อาหังตมะสัมพุโตปาวาภูตังทัตตวนังนทิวาจินตาวาคาโตปาปะวตาโมธรรมนันมาสัสุปฏิปันโนปาะวะโตสา